ญาเจริญพรทุกๆุกท่านถึงเดือนก็มาฟังธรรมะทีหนึ่งแต่ฟังเดือนละครั้งจะต้องปฏิบัติทุกวันจะมาปฏิบัติเดือนละครั้งไม่ได้นะบางคนเวลาจะส่งกันบ้านแนละ้วจะรีบปั่นกันบ้านเวลาอื่นไม่ค่อยทํานี่จุดอ่อนที่หลวงพ่อเห็นในสําหรับพรนนะราชะขาดความต่อเนื่อง จุด น, นะอีกจุดหนึ่งคือขาดสมาธททิที่ถูกต้องถ้าพวกเราแก้จุดอ่อนสองข้อนี้ได้การที่จะได้มักผลในเวลาอันสั้ น, นก็เป็นไปได้ถ้าเราแก้จุดอ่อนไม่ตกนะเมื่อภาวนานไม่ค่อยได้ผลเวลาคนภาวนานนะที่หลวงพ่อเห็นมาจำนวนมาก คนที่ภาวนาได้นะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆนียจิตต้องถึงฐานจริงๆถ้าจิตออกนอกจิตไหลออกไปตลอดเวลาเสื้อกระถ่งไหลไปนิ่งอยู่ในอารมณ์ันเดียวเช่นไปรู้ลมหายใจจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจไปดูท้องพองยบจิตไหลไปอยู่ที่ท้องไปเดินจงกลมจิตไหลไปที่เท้าอะไรพวกนี้ทำไม่ได้จริง อย่างมากก็ไหลแล้วไปสงบนิ่งอยู่ในอารมณ์มันเดียวก็ได้แต่ความสุขความสงบจิตจะต้องตั้งมั่นจริงๆจิตต้องถึงฐานจริงๆถ้าเราไปดูพจนานุกรมนะคำว่าสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นเังนอนตัวนี้เป็นเรื่องสำคัญสมัยก่อน30ปีมาแล้วนะหลวงพ่อออกไปหาครูบาอาจารย์หลวงพ่อฝึกสมาธิมาแต่เด็ก ทำสมาธิสงบก็เป็นนะตั้งมั่นก็เป็นออกไปหาครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะชอบนะว่าภาวนาดีภาวนาถูกดูไปรอบๆตัวเนี่ยคนที่ภาวนาแล้วจิตตั้งมั่นจริงๆเนี่ยมีน้อยมากเลยหายากเป็นของหายากหลวงพ่อสอนเพื่อนอยู่กลุ่มหนึ่งสักสิบคนนะไปไหนนั่งรถตู้ไปด้วยกันเข้าไปหาครูบาอาจารยนะ์ท่านหันมามองว่าไปรวมกันมาได้มากขนาดนี้ ดัน้ตรงที่จิตตั้งมั่นเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องแตกหักเลยว่าเราจะได้มรรคผลหรือเปล่าถ้าจิตไม่ตั้งมั่นไม่ถึงฐานจริงๆเจริญปัญญาไม่ได้ส่วนใหญ่เราไปหลงสมาธิว่าความสงบสมาธิไม่ได้แปลว่าความสงบนะสมาธิว่าความตั้งมั่นต้องมาฝึกให้มากนะจนสมาธิามันเกิดอย่างแท้จริงเลย ถ้าสมาธิมันเกิดแล้วจิตตั้งมั่นแล้วเนี่ยงานต่อไปก็มาหัดแยกธาตุแยกขันมาเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งนะความสุขความทุกข์แยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งกุศลอกุศลทั้งหลายแยกไปอยู่อีกส่วนหนึ่งจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูก็อยู่อีกส่วนหนึ่งจิตก็ปรุงแต่งไปได้นะเดี๋ยวก็วิ่งไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเลยจิตเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ ไม่ใช่ร่างกายไม่ใช่ความสุขความทุกข์ไม่ใช่กุศลไม่ใช่อกุศลเป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์เนี่ยต้องเดินปัญญา我ก็ต้องแยกขันออกไปเ็าเห็นขันแต่ละขันนะมันไม่ใช่ตัวเราเมื่อเราต้องมาค่อยๆฝึกนะพอเราฝึกเป็นแล้วจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วมีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยจิตใจจะอยู่กับเนื้อกับตัวไม่ลืมเนือ้อลืมตัว เราก็มาดูธาตุดูขันมันทํางานดูอย่างต่อเนื่องไปเรื่อยถ้าดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะเป็นกลางถูกต้องแล้วก็เรียกว่าเรามีสมาธิที่ถูกต้องแล้วก็วทําให้ต่อเนื่องดูทุกวันทุกวันดูบ่อยที่สุดเท่าที่จะดูได้ไม่นานหรอกมากผลก็จะเกิดเจอเราไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยเลยที่คนธรรมดาธรรมดาอย่างพวกเรานี้แหละ จะบรรลุมรกคผลในชีวิตนี้อยู่ที่ว่าทำถูกต้องไหมถ้าทาถูกต้องเนี่ยจิตต้องถูกต้องถ้าจิตผิดนะทำกรรมฐานอะไรก็ผิดหมดอนะถ้าจิตถูกนะกรรมฐานอะไรก็ใช้ได้นะงนอยู่ที่จิตเรานี่แหละว่าต้องตั้งมั่นจริงๆต้องค่อยๆฝึกนะฝึกไปเรื่อยหลักของการปฏิบัติที่หลวงพ่อย้านักย้าหนานะให้มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริง ด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางนี่เป็นหลักที่ครอบคลุมการปฏิบัติทุกรูปแบบเลยไม่ว่าเราจะปฏิบัติวิปัสสนาด้วยวิธีใดก็ตามนะมันก็ไม่ทิ้งหลักอันนี้แหละต้องมีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นได้เป็นกลางจะ ใ, ใช้สมาธินาปัญญาใช้ปัญญานาสมาธิใช้สมาธิปัญญาควบกันก็หนีไม่พ้นหลักอันนี้ จะดูกายจะดูเวทนาจะดูจิตจะดูธรรมก็นี่ไม่พ้นหลักอันนี้งั้นหลักของเราต้องแม่นถ้าหลักแม่นแนละก็ภาวนาไปฝึกไปสตนะิเป็นของสําคัญมากนะสติต้องพยายามพัฒนาสติขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีสติที่ถูกต้องเนี่ยศีลมันก็เกิดสมาธิก็คือความตั้งมั่นของจิตก็เกิดได้ไม่ยากนะเรามีสติโดย ด้ว ย, วยมีจิตที่ตั้งมั่นมีสมาธิด้วยปัญญาก็เกิดไม่ยากอะไรงั้นเราก็มาพัฒนาเครื่องมือสำคัญสองตัวนี้เลยคือสติกนะับสมาธิที่ถูกต้องถ้าเรามีเครื่องมือสองตัวนี้แล้วก็ไม่ยากอะไรต่อไปแล้วก็เหลือแต่ว่าทําให้มากพอนานๆทาทีหนึ่งหลายๆวันทาทีหนึ่งไม่พอหรอกว่ากิเลสมันทำงานตลอดเวลาไม่มีเวลาหยุดพักนะกิเลสขยันนะมีโทตลอดนะ พวกเราภาวนาไม่มีโอทีหรอกเดี๋ยวถึงเวลาเราก็เลิกละบางทีเลิกก่อนเวลาหนีงานอีกนะมีไหมตั้งใจจะภาวนาเท่านี้เท่านี้นแป๊บเดียวเลิกละพวกหนีงานนะกิเลสไม่เคยหนีงานเลยกิเลสน่ยขยันที่สุดทำโอทีทำทั้งวันทำทั้งคืนไม่มีให้เราหยุดหรอกถ้าเราหยุดบ่อยๆนะกิเลสไม่เคยหยุดสู้กันไม่ไหวฉะนั้นเราก็ต้องภาวนาให้มากนะภาวนาให้มาก ค่อยๆพัฒนาเครื่องมือในการปฏิบัติขึ้นมาพัฒนาสติขึ้นมาพัฒนาสมาธิที่ถูกต้องขึ้นมาสติมันเป็นสภาวธรรมอันหนึ่งนะทหน้าที่รู้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจถ้าเราไม่มีสตนะิเราก็ไม่สามารถรู้กายรู้ใจได้ร่างกายมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นจิตใจมีอะไรเกิดขึ้นไม่เห็นนั่ไม่มีสติ คำว่าสติสติที่หลวงพ่อพูดเนี่ยหมายถึงสติปัฏฐานสติมีหลายแบบสติทั่วๆไปอย่างใจของเราเป็นบุญเป็นกุศลอยากจะมาฟังทำอยากอะไรเนี่ยในทางปริยัติเขก็ถือว่าจิตที่เป็นกุศลทุกๆดวงนัมีสติแต่ว่าสติที่จะใช้ทาเราข้ามโลกจริงๆต้องเป็นสติปัฏฐานสติปัฏฐานก็คือมีสติรู้อยู่ที่กายมีสติรู้อยู่ที่ใจของเราเนี่เอง ถ้าเป็นสติที่ไปจ่ออยู่กับสิ่งอื่นอย่างเราเห็นพระพุทธรูปนียจิตใจเราแช่มชื่นเบิกบานเพลินดูพระพุทธรูปแล้วก็มีความสุขเพลินไปนะมีสติอยู่กับพระพุทธรูปอะไรเงี้ยอย่างนี้ไม่ใช่เจริญสติปัฏฐานเะดีนะ๋ยมีสตนะิใจคิดจะทําบุญทํากุศลนะใจคิดจะไปใส่บาตรคิดจะอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าใจเป็นกุศลใจที่เป็นกุศลก็มีสตินะ มันเป็นสติอ่อนๆสติทั่วๆไปมันไม่ใช่สติปัฏฐานสติเนี่ยต้องมาค่อยๆฝึกนะแล้วมาทําสติปัฏฐานให้ได้ถ้าทําสติปัฏฐานได้นะมันจะเข้าหลักที่พระพุทธเจ้าบอกเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปีต้องได้อะไรบ้างท่านยืนยันถึงขนาดว่าถ้ายังมีผู้เจริญสติปัฏฐานอยู่โลกจะไม่ว่างจากพระอรหรันต์เนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เลยนะแล้วเราต้องมาหัดให้มันมีสติรู้กายรู้ใจ ตอนที่จะไปรู้กายรู้ใจก็ต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นคือจิตที่มีสมาธิที่ถูกต้องเนี่ยส่วนใหญ่หลวงพ่อก็จะสอนวนอยู่ในเรื่องพวกเนี้นะเพื่อจะให้พวกเรามีสติที่ถูกต้องมีสมาธิที่ถูกต้องสติที่ถูกต้องก็เป็นสติอัตโนมัตินะสมาธิที่ถูกต้องก็เป็นสมาธิอัตโนมัติสุดท้ายปัญญามันเกิดแล้วภนาไปมากเข้ามากเข้าต่อไปนะสติก็อัตโนมัติไม่ได้เจตนาให้เกิดก็เกิด สมาธิก็อัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะให้จิตตั้งมั่นมันก็ตั้งมั่นปัญญาอัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะคิดพิจารณาถึงความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจของรูปของนามก็เห็นความเป็นไตรลักษณ์ถ้าเราฝึกจนถึงที่มันอัตโนมัติไปหมดนะทั้งสติทั้งสมาธิทั้งปัญญานีสุดท้ายอริยมรรคมันจะเกิดนั่นอริยมรรคเวลาเกิดเนี่ยจะไม่มีความจงใจแทรกอยู่สักนิดเดียวเลย ไม่มีโลภะเจตนาเจือปนเลยเพราะทุกอย่างมอาอัตโนมัติหมดเป็นเครื่องมือที่ใช้งานจกนกระทั่งกลายเป็นอัตโนมัติไปหมดอย่างพวกเราใครเคยใช้ตะเกียบไหมนานๆใช้ทีไม่อัตโนมัติใช่ไหมจิ้มดีไม่ดีจิ้มทางนี้ไปทางโน้นอะไรเนี้ยใช้ชํานาญก็อัตโนมัติใช้ช้อนใช้อะไรก็ใช้จนอัตโนมัติขับรถยนต์ก็เหมือนกันขับทีแรกขับลําบาก ต้างคอคิดว่าจะเหยียบอะไรจะทําอะไรสุดท้ายมันอัตโนมัติก็อัตโนมัติไม่เหนื่อยนะสบายคุณภาพสูงจิตใจเรานี้เหมือนกันนะเราต้องมาพัฒนาสติขึ้นมานะให้เป็นสติอัตโนมัติพัฒนาสมาธิให้อัตโนมัติจนกระทั่งเกิดปัญญาอัตโนมัติอาศัยสติอาศัยสมาธิจะทําให้เกิดปัญญาพออัตโนมัติแล้วต่อไปน้ํามักผลมันเกิดขึ้นได้เอง วิธีที่เราจะฝึกฝนตัวเองนะให้มันมีสติขึ้นมาสติเนี่ยเกิดจัดการที่จิตจำสภาวะได้แม่นนะถ้าจิตจำสภาวะได้ได้แล้วเนี่ยสภาวะอนนั้นเกิดขึ้นเนี่ยสติจะเกิดขึ้นเองมันจะระลึกขึ้นได้เองโดยที่ไม่ได้เจตนาระลึกนะอย่างเราหัดทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งนะเพื่อเป็นการซ้อมให้มีสติแล้วทำสติปัฏฐานนี่แหละ นะดูกายก็ได้ดูเวทนาดูจิตดูธรรมก็ได้นะยกตัวอย่างสักอย่างหนึ่งเช่นเราหัดดูลมหายใจให้ทำอานาปานาสติเราหายใจไปนะเราก็คอยรู้สึกเห็นร่างกายมันหายใจใจเราเป็นคนดูนะใจลอยไปใจลืมการหายใจไปรู้ทันว่าเผลอไปแล้วขาดสติไปแล้วกลับมาหายใจอีกเรารู้ลมหายใจไปเรื่อยนะจนมันชินกับการรู้ลมหายใจไปเรื่อย เรารู้อิริยาบถสไปเรื่อยๆจนมันเคยชินร่างกายเคลื่อนไหวไม่จะคอยรู้สึกร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกเบื้องต้นน่ะก็ต้องจงใจรู้สึกไปก่อนนะร่างกายหายใจออกก็ตั้งใจคอยค่อยรู้สึกไปนะหายใจเข้าก็คอยรู้สึกไปยืนเดินนั่งนอนคอยรู้สึกไปต่อไปพอจิตใจมันจำสภาวะของการหายใจได้แม่นไม่ใช่เราจำได้แต่จิตมันจาได้หรือจาอิร sí ิยาบถได้แม่นนะต่อไปพอ ลมหายใจขอเราเปลี่ยนจังหวะนะสติจะเกิดได้เองเลยอย่างเวลาเราหายใจแล้วก็รู้สึกหายใจแล้วก็รู้สึกไปเรื่อยนะต่อมาเวลาเราเกิดราคะเกิดโทสะขึ้นเวลามีราคะแรงๆมีโทสะแรงๆเราสังเกตไหมลมหายใจของเราเปลี่ยนจังหวะมันจะหายใจเร็วขึ้นแรงขึ้นยอะไรเงี้ยพอลมหายใจเปลี่ยนจังหวะปับ๊บเท่านั้ น, น, นจิตมันจําสภาวะที่การหายใจปกติของเราได้แล้ว ลมหายใจเปลียนจังหวะนี้เดียวเนทะ่านั้นสติจะเกิดได้เองเลยนะสติที่เกิดได้เองเป็นสติที่มีกําลังแก่กล้านะธรรมะทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามถ้าเกิดขึ้นเองนะจะเป็นของที่มีกําลังแก่กล้าถ้าต้องชักชวนโน้มน้าวให้เกิดเนี่ยเป็นพวกที่มีกําลังอ่อนทั้งฝ่ายบุญฝ่ายบาปอย่างฝ่ายบุญนะนะยกตัวอย่างอย่างฝ่ายบุญมีคน เราไปเห็นคนลำบากยากจนเราสงสารเราให้ทานช่วยเหลืออะไรต่างๆเราให้อย่างรวดเร็วเลยนะเราเห็นแล้วเราสงสารของเราเองอนะไรเนี้ยหรือไปเห็นวัดเขาพังนะวัดนี้พังไปหมดแล้วอยากช่วยบูรณะอะไรเนะี้ยใจเป็นกุศลึ้นเหงอย่างเนี้ยใจมีบุญที่แรงนะแต่อย่างคนเอาซองมาแจกนะช่วยทำหน่อยซี่อะไรอย่างนี้นะบางทีไม่เป็นกุศลอนะ หรือบางทีเขาโฆษณามากเลยนะี่ทำแล้วดีอย่างโน้นทำแล้วดีอย่างนี้นะใจเป็นกุศลขึ้นมาเหมือนกันทําเหมือนกันนะอาจจะทําใช้เงินมากกว่าที่ทําเองอีกนะเพราะว่าเขาชวนมากนะรู้สึกเคลอบเคลิมขึ้นมากับคาชวนให้ทําบุญของเขานะบุญที่เกิดจากการชักชวนนะเป็นบุญที่มีกําลังอ่อนนะบุญที่มันเกิดขึ้นมาจากธาตุแท้ในกำมลสันดานของเราเนะเป็นบุญที่มีแรงนะเป็นกําลังมาก บาปก็เหมือนกันนะอย่างถ้าบาปบาปที่เราเห็นใครก็เกลียดเข้าไปหมดนะอยากทำร้ายเข้าไปหมดโดยอัตโนมัติเนี่ยไอย้นี่มีโทสะแหลงกล้าถ้าถูกยั่วถูกด่ามาสามวันสามคืนแล้วค่อยโมโหไปชกเขาอะไรเนี่ยตัวเนี้ยอกุศลตัวเนี้ยโทสะตัวเนี้ยมีกำลังอ่อนเพราะฉะั้นอะไรที่มันเกิดอัตโนมัติมีไม่กำลังแรง อะไรที่ต้องน้มน้าวชักจูงให้เกิดเนี่ยมีกําลังอ่อนทั้งฝ่ายบุญทั้งฝ่ายบาปสตินี้ก็เหมือนกันถ้าต้องน้มน้าวให้เกิดนะยังมีกําลังอ่อนอยู่เช่นเราค่อยปลอบตัวเองนะค่อยหายใจค่อยรู้สึกนะหายใจคอยรู้สึกนะกนะช่วงเนี้สติตัวจริงมันยังไม่เกิดนะก็คอยรู้สึกคอยรู้สึกคอยปลอบตัวเองค่อยเตือนตัวเองอยู่เรื่อยๆนะสติตัวนี้ยังมีกําลังอ่อนแต่ต่อไปพอจิตมันจําสภาวะได้แม่น เช่นเรารู้ลมหายใจบ่อยๆจนเคยชินต่อมาความรู้สึกในใจของเราเปลี่ยนแปลงแลลมหายใจก็เปลี่ยนอย่างราคะเกิดขึ้นลมหายใจก็แรงขึ้นโทสะเกิดขึ้นลมหายใจก็แรงขึ้นนะสติมันจ ะ, ะระลึกปั๊บเลยมันจะรู้สภาวะว่าลมหายใจเนี่ยแปลกปลอมไปแล้วแล้วมันจะสะท้อนกลับเข้ามารู้ทันจิตรู้ทันใจของตัวเองได้อีกนะี่อาศัยการที่เราทําบ่อยๆนะหัดรู้สภาวะบ่อยๆ ต่อไปมีอะไรแปลกปลอมขึ้นในกายในใจนิดเดียวมันสติมันจะเกิดเองหรือหัดดูจิตดูใจก็ได้นะหัดดูใจของเราไปใจของเราเดี๋ยวสุขใจของเราเดี๋ยวทุกข์ใจของเราเดี๋ยวก็เฉยเฉยหัดดูไปอย่างนี้ทั้งวันเลยนะดูบ่อยๆใจมีความสุขก็รู้ใจมีความทุกข์ก็รู้ใจเฉยเฉยก็รู้หัดดูเรื่อยๆต่อไปเวลาเราไม่ได้เจตนาจะดูนะพอความสุขผุดขึ้นในใจเนี่ยสติระลึกได้เองนี่สติอย่างนี้มีกําลังกล้าละ หรือความทุกข์เกิดขึ้นในใจแป๊บเดียวไม่ได้เจตนาจะรู้เลยว่ากําลังทุกข์อยู่นะสติก็ระลึกได้เลยว่าความทุกข์เกิดขึ้นแล้วหรือค่อยดูใจก็ได้นคนไหนขี้โมโหก็ดูไปใจเดียเดเด๋ยวก็โกรธเดียเดเด๋ยวก็ไม่โกรธเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ไม่โกรธอัดดูบ่อยๆต่อไปพอความโกรธผุดขึ้นนะไม่ได้เจตนาจะรู้มันก็รู้ตรงที่ไม่เจตนาจะรู้มันก็รู้นี่แหละสติอัตโนมัติมันเกิด พวกเราต้องพยายามฝึกทุกวันทุกวันนะหัดรู้สภาวะให้มากจนสติอัตโนมัติเกิดนี่ทํำยังไงสมาธิอัตโนมัติจะเกิดสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตสิ่งที่ตรงข้ามกับสมาธิก็คือความไม่ตั้งมั่นการที่จิตมันเคลื่อนไปการที่จิตมันฟุ้งซ่านไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจจิตมันจะเคลื่อนไปมันจะฟุ้งไปเราอาศัยอะไรไปคอยจัดการมันนะ อาศัยสติอีกนั่นแหละนะอาศัยสติค่อยรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนเราคอยรู้ทันจิตมันเคลื่อนเราคอยรู้ทันนะเพราะฉะนั้นการที่คอยดูจิตที่เคลื่อนเนะนะเราจะได้ทังสตินะสติก็จะแก่กล้าขึ้นสมาธิก็จะแก่กล้าขึ้นงั้นถ้าอยากทํากรรมฐานแบบง่ายๆย่อๆเลยคอยรู้ทันจิตที่เคลื่อนไว้นะจะได้ทางสติได้ทังสมาธิเลยนะ แต่ถ้าดูตัวนี้ไม่ถนัดจําเป็นต้องไปดูตัวอื่นก็ดูไปอย่าเห็นจิตโลภจิตโกรธจิตหลงเกิดแล้วก็หายไปเนะี้ยเกิดจิตไม่โลภไม่โกรธไม่หลงอะไรอย่างเงี้ยเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรเงี้ยดูไปด้วยอย่างนั้ น, ด ไ, ออ น, นได้สตินะแต่ถ้าดูแล้วเห็นจิตที่เคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนไปเราจะได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธนะิเพราะการที่เห็นสภาวะบ่อยๆมันทําให้เกิดสตินะการที่รู้ทันว่าจิตเคลื่อนนะจิตที่เคลื่อนจะดับ จะเกิดจิต ท, ที่ตั้งมั่นขึ้นโดยอัตโนมัติถ้าเมื่อไหร่เราทำสมาธินะเราจงใจให้จิตตั้งมั่นเนี่ยสมาธิอย่างนี้ยังมีกำลังอ่อนเพรา ะ, ะนั้นการที่เราคอยประคองรักษาจิตไม่ให้เคลื่อนไปนี่เป็นสมาธิ ท, ที่อ่อนนะคุณภาพตำ่ำแต่ถ้าจิตเคลื่อนไปเราสติระลึกได้เองแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาเองโดยอัตโนมัติอันนี้เป็นสมาธิ ท, ที่มีกาลังแก่กล้านะเนี่ยเหนือเหนือกว่ากันมากเลยต้องฝึกจนกระทั่งมันฉินนะ ว่าจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นจิตเคลื่อนปุ๊บเห็นอย่างนั้นเลยเวลาที่จะเกิดอริยมรรคเนี่ยตอนจิตรวมเข้าัปนาสมาธินะเบื้องต้นในขณะสองขณะแรกหรือสามขณะแรกที่จิตรวมเข้าไปเพื่อจะเกิดอริยมรรคเนี่ยมันจะไปเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่สองสามขณะตรงที่สภาวะธรรมเกิดดับเนี่ยจิตมันจะเคลื่อนเข้าไปดูสภาวะเราที่จิตเคลื่อนไปดูสภาวะแล้วถ้าเราเคยฝึกจนชำนิชำนาญ น, นะว่าจิตเคลื่อนก็เห็นเนี่ย จิตมันจะเลิกเคลื่อนมันจะทวนกระแสกลับเข้ามาห า, าธาตุรู้กลับเข้ามาที่จิตนะไม่เคลื่อนออกไปเนี่ยสมาธิอัตโนมัติมันจะมาใช้กันตรงนี้นะใช้ประโยชน์กันในนาทีวิกฤตเนี่ยแหะที่จะเกิดมาเกิดผลนี่แหละถ้าไม่มีสมาธิอัตโนมัตินันไหลออกไปแล้วก็ไหลไปเลยคราวนี้ก็ไปเคลื่อนไปอะไรเข้าชงเข้าชานอะไรงั้นไปตายไปก็ไ ป, ปโผร่มโลกก็ไปแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเคยฝึกกัอว่าจิตเคลื่อนแล้วเห็นจิตเคลื่อนแล้วรู้แล้วมันกลับมาตั้งมั่นอัตโนมัติเนี่ย ตอนที่จะเกิดอเรียมาร์กนะั้นจะไปเห็นสภาวะธรรมเกิดดับอยู่สองสามขณะจิตจะวางสภาวะนะั้นแล้วทวนกระแสกลับเข้ามาหาจิตหาใจของตัวเองหาธาตุรู้ของตัวเองนะนี่มาเอาไปใช้งานอย่างนี้นะแล้วตรงที่สภาวะเกิดสองสามขณะนะัสติก็รู้อัตโนมัติไม่ได้เจตนาจะรู้นะแล้วจิตเคลื่อนไปสู่สภาวะนะั้นสติก็รู้อีกจิตก็ทวนกลับเข้ามาถึงจิตนะตัดการรู้สภาวะทวนเข้ามาหาธาตุรู้ ตอนที่มันทวนเข้ามาห า, าธาตุรู้เนี่ยขณะที่มันตวนเนนะี่ยมันทิ้งอารมณ์ถ้ามันทิ้งอารมณ์ไมื่ไมันไม่ใช่ปุถุชนนะแต่มันทวนกระแสเข้ามายังไม่ถึงาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์ตัวนี้มันยังไม่ใช่พระอริยะเป็นสภาวะคาบลูกคาบดอกมีอยู่แว บ, บเดียวเท่านั้นนะนะตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นโคตราภูนะโคตราภูยานยานข้ามโลกข้ามโคดจากปุถุชนมาเป็นโคดพระอริยะนะใช้คําโบราณนะคำว่าโคด ไม่ใช่โคดผู้ถุชนนะเราเป็นโคดพระอริยะเดี๋ยวนี้ชอบใช้คำว่าโคดโคดหมายถึงทั้งสองฝั่งะช่ไก็คงไม่ใช่อีกเนี่ยพอมันทวนนะต้องทวนแล้วเรามีหน้าที่ฝึกจนมันเป็นอันตโนมัติมันจะเป็นอันตโนมัติได้ต้องฝึกบ่อยๆนานๆฝึกทีไม่อัตโนมัติหรอกนะถ้าทํากรรมฐานอะไรไม่ได้นะคอยรู้ทันจิต ท, ที่ไหลไปคิดถ้าตัวนี้ยากนะตัวนี้ยาก แต่ถ้าเรารู้ทันจิตที่ไหลไปได้สติก็จะเกิดพอจิตเคลื่อนปุ๊บสติรู้ทันว่าเคลื่อนและในสติอัตโนมัติเกิดพอรู้ทันว่าเคลื่อนการเคลื่อนก็ดับจิตก็ตั้งมั่นสมาธิอัตโนมัติก็เกิดนั้นตรงที่เรารู้ทันว่าจิตเคลื่อนไปเนี่ยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธินะตัวนี้เป็นตัวถ้าทําได้เราโอ้รวบรัตัดความได้เยอะเลยนะถ้าไปดูตัวอื่นก็อ้อมอ้อมนิดหน่อยก็ต้องมาฝึกสมาธิอีกทีหนึ่ง เร็นรู้ลมหายใจนะเห็นลมหายใจออกเป็นลมหายใจเข้าไม่ลืมลมหายใจถ้าลืมไปปุ๊บสติระลึกได้ว่าลืมนะี่ได้สตินั่นเราค่อยๆฝึกนะจนได้สมาธิอัตโนมัติขึ้นมาแล้วก็ต่อไปต้องมาฝึกให้เกิดปัญญาอัตโนมัติบางคนนะในขณะที่จิตเข้ามาตั้งมั่นเป็นตัวรู้จิตมีสมาธิที่แท้จริงเกิดขึ้นบางคน ที่เคยฝึกฝนอบรมเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนนะขันมันจะแยกตัวออกพนะอจิตเข้าถึงฐานปั๊บมันจะเห็นเลยร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตอยู่ส่วนจิตบางคนเห็นอย่างนี้เลยบางคนไม่เห็นร่างกายอยู่ส่วนกายจิตส่วนจิตแต่ไปเห็นว่าความรู้สึกทั้งหลายอยู่ส่วนความรู้สึกจิตอยู่ส่วนจิตนะความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนความสุขความทุกข์จิตเป็นคนดูอยู่ต่างหาก ลบกรดหลงเป็นสิ่งที่ถูกรู้ถูกดูจิตเป็นคนดูอยู่ต่หากอันนี้สําหรับคนซึ่งเคยมีบารมีนะเคยสร้างส ม, มอบรมมาเคยเจริญปัญญามาพอจิตถึงฐานเท่านั้นขันจะแยกตัวออกแยกออกเป็นส่วนๆเลยร่างกายส่วนร่างกายความสุขความทุกข์ก็อยู่ส่วนหนึ่งกุศลอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตที่เป็นคนรู้คนดูอยู่อีกส่วนหนึ่งมันจะแยกออกเป็นส่วนๆโดยอันตโนมัติ เมื่อมันแยกเป็นส่วนๆโดยอัตโนมัติแล้วสติระลึกรู้อะไรนะไม่ว่าจะระลึกรู้รูประลึกรู้เวทนาคือความสุขทุกข์ระลึกรู้สังขารที่เป็นความดีความชั่วทั้งหลายเช่นความโลภความโกรธทั้งหลายนะระลึกรู้จิตที่เกิดดับทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจมันสติระลึกปั๊บเนี่ยปัญญามันเกิดเลยมันจะเห็นเลยว่าสิ่งที่สติระลึกเข้าไปนั้นไม่ใช่ตัวใช่ตนอะไรหรอก ถ้าจิตตั้งมั่นเป็นคนดูได้นะพราสติระลึกเห็นร่างกายปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกเลยว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราเป็นสิ่งที่แยกออกไปอยู่ต่างหากเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าเราเดินปัญญาแล้วเราเริ่มเห็นใจรักของกายนะหรือเราเห็นว่าความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นจิตมันตั้งมั่นเป็นคนดูอยู่ปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าความโกรธความโลภความหลงอะไรนะไม่ใช่จิตหรอกมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันไม่ใช่ตัวเรา มันไม่ใช่เราโกรธอีกแต่ต่อไปแล้วนะม่เป็นสภาวะของความโกรธที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราโกรธเพราะมันไม่ใช่เรามันแยกออกไปจากจิตเนี่ยถ้าคนที่เคยอบรมฝึกฝนเจริญปัญญามาแต่ชาติปางก่อนนะพอจิตถึงฐานจิตตั้งมั่นเท่านั้นขันแยกแล้วแสดงใจรักษนะนี่บางคนนะ่ะจิตตั้งมั่นถ้ามาถึงฐานแล้วก็ตั้งอยู่อย่างนั้นเองไม่เดินปัญญามีนะจิตตั้งมั่นอยู่นี่ไม่เดินปัญญาก็มี เพราะฉะนั้นจิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีสองชนิดจิตที่เป็นกุศลที่ไม่ประกอบด้วยปัญญาก็มีเป็นส่วนใหญ่ด้วยจิตที่เป็นกุศลและประกอบด้วยปัญญาเนี่ยก็มีนะแต่เป็นส่วนน้อยหรอกมีไม่มากหรอกส่วนใหญ่มันจะเป็นกุศลที่ไม่มีปัญญาปัญญานี้ต้องเห็นไตรลักษณ์นะถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาจริงถ้าเห็นอย่างอื่นก็จะเป็นปัญญาอ่อนนเป็นปัญญาธรรมดาธรรมดาถ้าเห็นไตรลักษณ์ของ ของใจของรูปของนามเนี่ยเรียกว่าวิปัสสนาปัญญานะถ้าไม่มีวิปัสสนาปัญญาก็มรรคผลไม่เกิดนะนั้นเราต้องมาฝึกจนให้ได้วิปัสสนาปัญญาคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจทําไมต้องเห็นไตรลักษณ์เห็นอย่างอื่นไม่ได้เหรอเห็นว่าไม่สวยไม่งามได้ไหมถ้าเห็นว่าร่างกายไม่สวยไม่งามสิ่งที่เกิดขึ้นคือโทสานะจะเกลียดมันจะขยักขยแยงมัน นะแต่ถ้าเห็นความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยจิตจะเป็นอุเบกขานะจิตจะปล่อยวางไม่ยึดถือหรอกของไม่เที่ยงไปยึดมันทําไมนะความสุขเป็นของไม่เที่ยงจะไปยึดมันทําไมความทุกข์ก็ไม่เที่ยงจะไปเกลียดมันทําไมไม่รักไม่เกลียดนะแต่ถ้าไปดูอย่างอื่นในแง่มุมอื่นที่ไม่ใช่ใจรักนะมันจะกิเลสนจะแทรกได้อีกอย่างเราไปดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะเงี้ยไม่ใช่วิปัสนาดูไปดูไปเราขี้เกลียดร่างกายโทสะจะเกิดสมัยพุทธกาลนะ ก็มีพระอยู่ประมาณ500องค์สมัยพุทธการนสันวนแขกเนี่ยถ้าเยอะๆเนี่ยจะเรียกว่า500ถ้าเยอะมากกว่านั้น8 4 0 0มืถ้าเยอะกว่านั้นอีกเรียกแสนโกดอัตราเนี่ยก้ากระโดดมากเลยนะบอกว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนเรื่องอสุภกรรมฐานแล้วก็เสร็จแล้วท่านก็ปลีกวิเวกพระพุทธเจ้าท่านก็หลีกออกไปไปพาวาของท่านองค์เดียว พักผ่อนบ้างเพราะว่าสอนกรรมฐานเนี่ยใช้แรงเยอะขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังต้องพักเลยในขณะที่ท่านปรีวิเวกเนี่ยพวกพระอยู่ที่วัดเนี่ยพิจารณาสุภกรรมฐานกั น, นพิจารณาไปแล้วก็รู้สึกร่างกายเนี่ยเป็นของหน้าขยะขขยงโทสะเกิดพระก็เอามีดโกนนะพระจะมีมีดมีมีดโกนเป็นหนึ่งในแปดของบริขารของพระมีมีดโกนอยู่หนึ่งอันเอามีดโกนเนี่ยปาดคอตัวเองตาย องไหนไม่กล้าปาดคอตัวเองนะก็ไปจ้างเขาปาดไม่มีอะไรเป็นค่าจ้างเอาบาดให้เขาเอาจีวรให้เขาเป็นค่าจ้างให้ฆ่าตัวเองให้ตายเนี่ยพระเจ้าท่านหลีกเล้นอยู่สามเดือนท่านออกมาที่วัด้็ถามพระอนุนว่าพระหายไปไหนเกือบหมดวัดเลยบอกพระฆ่าตัวตายไปหมดแล้วท่านก็มาสอนใหม่ต่เป็ น, นี้แทนที่ท่านสอนอสุภะนะท่านสอน ให้ทําอานาปนาสติสอนอะไรเงี้ยนี่ก็เกิดคําถามขึ้นมาแล้ว ท, ทําไมพระพุทธเจ้าสอนจนพระฆ่าตัวตายไปเยอะเลยอัจฉริกะเขาบอกว่าพระพวกนี้มีบุพรกรรมพระพุทธเจ้าก็ช่วยไม่ได้ท่านต้องอุเบกขาแล้วต้องหลบออกไปก่อนเลยเพราะมีบุพรกรรมจะต้องฆ่าตัวตายเห็นไหมการพิจารณาที่หลวงพ่อเล่าเรื่องนี้ไม่ใช่ให้เรานั่งคิดว่าทําไมพระพุทธเจ้าปล่อยให้ลูกศิษย์ตายไปห้าร้อยคน สมัยท่านไม่ช่วยท่านช่วยท่านฝืนกรรไม่ได้ไม่มีใครใหญ่เกินกรรมไปได้นะที่หลวงพ่อเล่านี้ก็เพื่อจะบอกพวกเราว่าอย่างถ้าเราไปพิจารณาร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะอะไรเนี่ยไม่ใช่วิปั ส, สนาหรอกนะพิจารณาไปเนี่ยบางทีขยักขยแยงร่างกายไม่รักร่างกายจริงแต่ว่ามันจะเกลียดร่างกายมันจะไม่เป็นกลางหรอกมันจะไม่เหมือนอย่างการทํำวิปั ส, สนานะถ้าทํำวิปั ส, สนาเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นกลาง ถ้าเราปฏิบัติถูกน ะ, จะเจริญสติปัฏฐานมีสติรู้กายรู้ใจในลักษณะที่เป็นวิปัสนาคือเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของรูปนามรูปประธรรมนามธรรมา ท, ทั้งหลายนะทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกสุขความรู้สึกทุกข์ความรู้สึกเฉยเฉยทั้งกุศลอนะกุศลทั้งตัวจิตเองถ้าเราเห็นความเป็นไตรลักษณ์เรื่อยๆมันจะเข้าไปสู่ความเป็นกลางอัตโนมัติในสติปัฏฐานเนี่ยจะมีบาลีอยู่ท่อนหนึ่งท่านบอกว่า กายเยกายานุปัตสีวิหารติมีกายในกายเป็นวิหารธรรมนะอาตาปีสัมปชาโนสติมามีความเพียรแผดเผากิเลสมีความรู้สึกตัวมีสติวินยะโลเกอาพิชาโทมนัสสะถอดถอนความยินดียินร้ายในโลกเสียได้ก็คือในรูปธรรมนามธรรมาเสียได้นั่นเองเห็นไ้ยว่าถ้าภาวนาถูกนะมันจะมาถอดถอนความยินดียินร้ายได้ไม่ใช่ภาวนาแล้วเกลียดรูปธรรมนามธรรมา งานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยถ้าเราหัดรู้หัดดูสภาวะทั้งหลายไปด้วยจิตที่ตั้งมั่นนะเป็นกลางดูเรื่อยไปนะสุดท้ายจะเห็นความเป็นใจลักษณ์ของรูปธรรมนามธรรมทุกสิ่ง ท, งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้านะในร่างกายในจิตใจของเราเนี่ยดูลงไปเด้วยสุดท้ายก็เห็นในทุกอย่างในร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ทุกอย่างในจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นของบังคับไม่ได้ถ้าเห็นไปนะมัจะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือนะไม่ใช่เกลียดชัง จะคลายความรักใคร่ยินดียินไร้าหมดความยินดียินไร้าในรูปธรรมานามธรรมทั้งหลายอย่างร่างกายเราเป็นที่รักที่หวงแหนมากถ้าเรามีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเราเห็นว่าร่างกายนะมันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวันทั้งคืนหายใจออกหายใจเข้ายืนเดินนั่งนอนเปลี่ยนอิเดียบดไปด้วยทําไมมันเปลี่ยนอิเดียบดไปทําไมมันหายใจออกหายใจเข้าไปเพราะมันถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลา เนี่ยเวลาเราดูร่างกายนะเราจะเห็นตัวทุกข์ได้เด่นที่สุดเลยนะดูกายลงไปที่เห็นนะหายใจออกก็ทุกข์นะต้องหายใจเข้าเพื่อแก้ทุกข์หายใจเข้าแล้วก็ทุกข์ต้องหายใจออกแก้ทุกข์นั่งนานก็ทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถไปยืนไปเดินนอนนานยังทุกข์ต้องเปลี่ยนอิริยาบถพลิกซ้ายพลิกขวาเนี่ยดูไปเรื่อยนะมันจะเห็นมันไม่ใช่ของดีความรักใคร่ ย, ยึดถือในกายก็จะค่อยๆ ค, ค, คลายออกนะแต่ไม่ได้เกลียดนะ เพราะความเกลยียดเกิดนะให้มีสติรู้มีสติรู้เนี่ยใจจะเข้าสู่ความเป็นกลางนะแล้วก็จะดูไปด้วยในสุดจะเห็นเลยร่างกายไม่ใช่ของที่ควรจะหวงแหนแต่ว่าเมื่อมันมีอยู่ก็ต้องใช้งานเหมือนไปใช้ไ่ทำความดีก็ได้ทำความชั่วก็ได้นะเราลูกพระพุทธเจ้ามีร่างกายเ้วก็ใช้ร่างกายทำคุณงามความดีไปเอาร่างกายนี้แหละมาไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมนะดีที่มีร่างกายอย่างนี้ เอาร่างกายนี้แหละมาฝึกซ้อมเจริญปัญญาให้เห็นทุกข์เห็นโทษว่าร่างกายไม่ใช่ของดีของพิเศษเห็แม้เรามีอุปกรณ์ในการปฏิบัติธรรมที่ดีนะเทวดาไม่มีนะเทวดาเนี่ยจะมาดูกายเนี่ยดูลงมาตั้งร้อยปีเศษแล้วก็ยังสวยอยู่เหมือนเดิมอะสบายไม่ปวดไม่เมื่อยสบายดูอย่างนั้นเลยนั้นเทวดานะต้องดูจิตนะเทวดาเนี่ยต้องขยันดูจิตแล้วก็ไปได้ง่ายเลย ดู ก, กายมันสวยอยู่งั้นมันเที่ยงอยู่งั้นะไม่เห็นมันจะทุกข์ตรงไหนเลยโดส่วนมนุษย์เนี่ยมีบุญมากเรามีร่างกายที่ห่วยแตกมีความทุกข์บีบคั้นทั้งวันรู้สึกไหมด้านหนึ่งนะเรารู้สึกว่าแย่จังเลยลร่างกายนี้แย่จังเลยอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันทำให้เรามีสติมีปัญญาขึ้นมานะเราเห็นกายนี้เป็นตัวทุกข์นะต่อไปเราก็จะหมดความยึดถือกายหมดง่ายกว่าเทวานะ เทวดาจะให้ไม่ยึดถือกายนี่ไม่ใช่ง่ายเลยเพราะว่ากายท่านงามเหลือเกินของใสถามว่ากายเ ท, าเทวดาเที่ยงไหมไม่เที่ยงแต่มันไม่เที่ยงมันแสดงตัวตอนไหนตอนใกล้จะตายเทวดาตอนใกล้จะตายนะรัศมีก็จะเศร้าหมองลงไปแสงเนี่ยค่อยๆรีรีลงไปนะแล้วผิวหนังก็จะหยาบขึ้นมาจะกเนียนนะจะหยาบหยาบขึ้นมามีเหงื่อซึมออกมานะ รัศมีก็เศร้าหมองมีเหงื่อซึมซึมออกมานี่เป็นสัญญาณว่าท่านใกล้จะตายแล้วนะถ้าเทวดาองค์ไหนเป็นแบบนี้นะเพื่อนเทวดาก็าจะมาส่งนะมาปลอบเหมือนที่พวกเราไปเยี่ยมพวกไอซีย์อ่ะไปก็ไปยืนเกาะลอบๆเตียงทําใจดีๆไว้นะเนะแต่พวกเราไปเยี่ยมพักพวกใกล้ตายนะทําใจดีๆไว้นะตายไปจะได้ขึ้นสวรรค์เราก็ตั้งใจอ ย, อย่างนี้ พวกเทวดาก็จะมาล้อมนะรอบที่นอนนี้เหมือนกันนะแล้วก็มาปลอบเพื่อนทําใจดีๆไว้นะขอให้ได้ไปเกิดเป็นมนุษย์นะออดูสิมนุษย์อยากเป็นเทวดาเทวดาอยากเป็นมนุษย์เพราะอะไรนั้นเจริญสติเจริญปัญญาง่ายเป็นมนุษย์ดูสิเดี๋ยวเดี๋ยวร่างกายก็แปรปรวนใช่ไหมเดี๋ยวก็เจ็บน่นเจ็บนี่ดูจิตใจของมนุษย์สิจิตใจของเรากรับกรอกยอกย้อนเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย จิตเทวดาเวลามีความสุขสุขนนะสบายในตำลาก็มีมีมเทวดาองค์หนึ่งนะเทพธิดาตามเทวดาใหญ่สมตส ม, ตส ม, ตสมติว่าตามพระยินทุพ่อจำชื่อเทวดาองค์นี้ไม่ได้นางฟ้าองค์นี้เป็นบริวารของพระยินสมตสมติอย่างนี้นะแล้วพระยินก็อาพาออกไปเที่ยวเล่นในสวนนางฟ้าเนี่ยเกิดตายในสวนจุติออกมาเกิดเป็นมนุษย์นะ เป็นมนุษย์แล้วก็มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีมีลูกมีสามีมีอะไรนะแล้วก็ตายตอนอายุร้อยปีกลับขึ้นไปพวกเพื่อนๆหนังฟ้าด้วยกันถามเธอหายไปไหนมาแป๊บหนึ่งอะดูความสุขยังไม่ไม่หมดเลยเห็นไหมในขณะที่ร้อยปีของเราเนี่ยความสุขเราหมุนไปทั้งเท่าไหร่ละเป็นบุญนักหนาแล้วนะที่ได้เป็นมนุษย์เพราะงั้นอย่าท้อใจนะอย่าเสียใจเราเป็นบุญนักหนาแล้วที่เป็นมนุษย์มันดีตรงไหนที่เป็นมนุษย์ ดีตรงที่ร่างกายของเราเนี่ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาดีตรงที่จิตใจของเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะถ้าแหมเป็นสุขอยู่างนี้ตลอดสังเกตไหมพวกที่มีความสุขมากไม่ยอมภาวนาะนีเพลินไปเรื่อยๆนะพวกนี้อาภัพมากเลยนะพวกเราเนี่ยเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเรียก ว, ว่าคุ้มดีคุ้มร้ายนะพวกนี้แหละภาวนาง่ายที่สุดเลยเพราะอะไรเพราะการเจริญปัญญาเนี่ยต้องเห็นความเปลี่ยนแปลง เราเห็นแต่ความไม่เที่ยงเห็นแต่ความเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นในกายในใจเห็นแต่การบังคับไม่ได้ของกายของใจงั้นเราต้องเราเนี่ยมีทรัพยากรที่วิเศษที่สุดแล้วภูมิของเราที่เป็นมนุษย์เนี่ยนะเหมาะสมที่สุดแล้วสําหรับการปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกขนะ์อยู่ที่เรานะอยู่ที่ตัวเราเองมีทรัพยากรที่ดีแล้วก็คือกายกับใจที่อุดมไปด้วยความทุกข์นี่แหละนะหัดดูบ่อยๆนะ รู้สึกมีใจที่ตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ <Yeah. S 1> มีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายมีสติคอยรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของจิตใจรู้ไปเรื่อยๆสุดท้ายปัญญามันก็เกิดเกิดเลยว่าโอ้ร่างกายนี้นะเต็มไปด้วยความทุกข์นั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์นะทำอะไรก็ทุกข์มากกินข้าวก็ทุกข์นะัอดข้าวก็ทนะุกข์ กินน้ำมากมากก็ทุกข์อีกไม่มีน้ำจะกินก็ทุกข์อีกนะเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอนะไรเนี่เดี๋ยวเจ็บมากเดี๋ยวเจ็บน้อยนั่งอยู่ก็เดี๋ยวปวดเดี๋ยวเมื่อยพอนะเหงื่อโซมออกมามีความสุขไหมร้อนจัดจัดเหงื่อโมทมท่วมตัวเลยไม่มีความสุขนะแสบแสบคันคเนี่ยถ้ามานั่งอยู่ตรงเนี้จะเห็นเลยว่ากายของพวกเราเนี่ยมันน่าเกลียดขนาดไหนนะที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยนะรู้ตัวหรือเปล่าว่าเก่าอยู่แทบทุกคนเลย <laughs> อย่างกระลิงนะ่นะอย่างกลิงนะยุกยิกยุกยิกยกไม่มีใครนิ่งเลยนะแล้วไม่ต้องนิง่งเอาไว้ให้ฤาษีเขานิง่งเราเป็นลิงอย่างนี้แหละนะเราก็ดูไปโอ้ร่างกายนี้มีความทุกขนะ์นะเนี่ยไม่เห่าแล้นะ <laughs> นะรู้สึกดิรู้สึกใครใครรู้สึกอยู่ที่กายเลยเนี่เห็นว้ามันทุกข์ตลอดเลย เดี๋ยวคันตรงร้นเดี๋ยวคันตรงนี้น เ, นนเอาเละเห็นไหมนะแทบไม่หยุดเลยเนหะ็นหลวงพ่อสาธิตคำจริงแอบเกาไปด้วยเพราะอะไรเพราะกายมนุษย์มันเป็นอย่างนี้นะมันไม่ดีมันมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ค่อยดูลงไปดูลงไปรือยสิ่งที่ทำให้เรามองไม่เห็นความทุกข์ของกายนะก็คือการเปลี่ยนอิริยาบถเรานั่งนานๆมันทุกข์เราก็ขยบเมื่อยใช่ไหมใครนั่งแล้วยังไม่ขยับ ก็นะต้องขยับไปอย่างเงี้แก้เมื่อยอนี่พอเรามันชินพอเมื่อยปุ๊บเราขยับปับ๊บเรายังไม่ทันเห็นเลยว่ามันทุกข์นะหรือเราหายใจเนี่ยหายใจเข้าไปเรื่อยๆพอมันทุกข์นั้นเราก็หายใจออกเลยมันเปลี่ยนเปลียิริยาบทเปลี่ยนการหายใจเหมือนกัน <S <S นะมันก็ได้ปิดบังความทุกข์เอาไวนะ้ส่วนในจิตใจเราเนี่ยความสืบเนื่องความสืบต่อเรียกว่าสันตะติจิตเนี่ยเกิดดับรวดเร็วจนเรานึกว่ามันเที่ยง มันเกิดดับเร็วมากนะจนเหมือนไม่เกิดดับเราดูไม่ออกนั่นเรียกวความสืบเนื่องหรือสันตติเนี่ยปิดบังอนิจจังไว้อย่างไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้คงที่ไฟฟ้าเนี่ยกระแสไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้คงที่แต่เรามองเห็นว่ามันสว่างคงที่มันเกิดดับรวดเร็วมากจิตนี้ก็เกิดดับรวดเร็วมากจน เ, เราคิดว่าจิตเที่ยงในความเป็นจริงแล้วถ้าใครเห็นว่าจิตเที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิ จิตเองเกิดดับดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนี้จิตเดี๋ยวก็จิตสุขเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจิตทุกเกิดขึ้นแล้วก็หายไปจิตดีจิตชั่วเกิดขึ้นแล้วก็หายไปมีแต่ของที่เกิดแล้วก็หายไปทั้งนั้นเลยนะจิตที่ไปทางตาจิตไปดูก็ดูชั่วคราวจิตไปทางหูก็ไปชั่วคราวจิตไปคิดก็ไปคิดชั่วคราวเนี่ยแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีจิตที่ตั้งมั่นเป็นคนดูเราไม่เห็นหรอกว่าจิตมันเกิดดับอยู่ทางทวารท อย่างเก่งเราจะเห็นว่าจิตมีดวงเดียวนะแต่วิ่งได้จิตเนี่ยวิ่งไปที่ตาแล้วก็วิ่งกลับมาวิ่งไปที่หูแล้ววิ่งกลับมาอันเนี้ยถูกหลอกแล้วมันเหมือนภาพการ์ตูนภาพการ์ตูนไม่เคยวิ่งใช่ไหมภาพแต่ละภาพมันอยู่กับที่ของมันนั่นแหละจิตที่เกิดที่ตาเกิดแล้วมันดับมันเกิดจิตที่ใจขึ้นมาแทนแต่ว่ามันเกิดเร็วมันเลยรู้สึกว่าเป็นตัวเดิมวิ่งเข้ามามันเหมือนภาพการ์ตูนที่ว่าตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวได้นะั่นแหละที่จริงจิตมันเกิดดับตลอดเวลาเลยนะ เนี่ยถ้าเรามีสติมีปัญญากเห็นแต่ของไม่เที่ยงจิตนี้เต็มไปด้วยความไม่เที่ยงถ้าดูได้ไม่ละเอียดก็ดูหยาบๆบนะเราจะเห็นว่าจิตที่สุขก็ไม่เที่ยงจิตที่ทุกข์ก็ไม่เที่ยงจิตที่โลภจิตที่โกรธจิตที่หลงจิตที่ดีล้วนแต่ไม่เที่ยงทั้งนั้นเลยจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงนะจิตที่ลืมเนื้อลืมตัวก็ไม่เที่ยงอีกมีแต่ของไม่เที่ยงนะหรือดูจิตดูใจจะชัดอีกตัวหนึ่งนะคือความเป็นอนัตตา สั่งให้สุกมันก็ไม่สุกนะสั่งให้สงบมันก็ไม่สงบสั่งให้ดีมันก็ไม่ดีห้ามชั่วมันก็ชอบชั่วนะตั้งใจว่าจะไม่โกรธมันก็โกรธนะใครเคยอกหักไหมแล้วตั้งใจว่าจะไม่คิดถึงเวลาอกหักแล้วจะไม่คิดถึงเขาอีกต่อไปละนะก็นั่งคิดตลอดเวลาเลยแล้วบอกคิดว่ า, างไงคิดว่าทํำยังไงจะไม่คิดถึงเขาเนื้อก็คิดตลอดเลยห้ามได้ไหมห้ามไม่ให้ใจคิดห้ามไม่ได้ไมอย่ากโกรธเขาเลยอย่าน้อยใจเลยนะ ทางใครทางมันต่างคนมีกรรมเป็นของตนเองแล้วก็โหโหโหต่อไปอีกนะสุดท้ายก็คือห้ามไม่ได้เนี่ยเรามาดูของจริงในใจเรานะมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าดูในกายเนี่ยจะเห็นตัวทุกข์เนี่ยแจ่มชัดเมื่อเราดูมากเข้ามากเข้านะต่อไปไม่เจตนาจะเห็นไม่ได้เจตนาจะเห็นไตรลกนะักษณ์นั่นมันเห็นเองสภาวะอะไรเกิดขึ้นในใจมันอย่างซึ้งลงไปเลยวนะ่าเกิดได้ก็ดับได้นะ มาแล้วก็ไปบังคับไม่ได้ใจมันรู้สึกอย่างนี้มีคนหนึ่งอยู่อเมริกาเขียนจดหมายมาเล่าให้หลวงพ่อฟังเห็นลูกสิทธิทางจดหมายเขาเขียนข้างเดียวนะหลวงพ่อไม่ได้เขียนตอบหรอกจดหมายมาถึงหลวงพ่อเยอะมากหลวงพ่ออ่านไม่บางอันเขาได้อ่านบางอันมันหายไปกลางทางไม่ได้อ่านแต่อ่านแล้วไม่ได้ตอบลงไม่รางนะเขาเขียนมาเล่าให้ฟังว่าเขาหัดดูสภาวะต่างๆนะยันแยกขันได้ลนะ ได้ขันร่างกายส่วนร่างกายนะสุขทุกข์ก็ส่วนสุขทุกข์กุศลหนกุศลก็ส่วนกุศลหนกุศลจิตก็ส่วนจิตเสร็จแล้วเขาเห็นว่าสภาวะธรรมแต่ละตัวแต่ละตัวเนี่ยมันทําลายตัวมันเองไม่มีใครมาทําลายมันนะมันทําลายตัวมันเองได้นะเพราะจะเห็นอย่างนี้เขาบอกว่าต้งแต่เห็นตัวนี้นะเขารู้เลยว่ามันไม่มีตัวมีตนที่แท้จริงมันมีแต่ของที่ทําลายตัวเองอยู่ตลอดร่างกายเราก็ทําลายตัวเองไปเรื่อยๆใช่ไหม ไม่นานก็แตกสลายมันทาลายได้เต็มที่แล้วนะความสุขความทุขความสุขเกิดขึ้นความสุขก็ทําลายตัวเองมันอยู่ไม่ได้ทนหรอกอันนี้เขาเห็นอะไรเขาเห็นตัวทุกตัวทุกขนะตัวทนอยู่ไม่ได้เขาเห็นว่ามันถูกบีบคั้นตลอดเวลาเห็นสภาวะทั้งหลายถูกบีบคั้นตลอดเวลาเนี่ยเวลาเขาเขาพูดอันนี้จังทุกขังอนัตตาไม่เป็นนะแต่เขาเขียนมาเล่าเขียนมาเล่าซื่อเลยอะ่ะน่าฟังนะเล่าซื่อเลยว่า เขาเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายเนี่ยมันทำลายตัวเองตลอดเวลาเลยเขาไม่เห็นว่ามันมีตัวตนที่ไหนเลยมันมีแต่ของที่ถูกทำลายกำลังถูกทำลายอยู่อะไรนัหรือถูกทำลายไปแล้วนะเนี่ยหัดดูไปเรื่อยนะถึงว่าหนึ่งปัญญามันจะเกิดปัญญาอัตโนมัติจะเกิดไม่ได้เจตนาจะรู้เลยว่าสภาวะธรรมทั้งหลายทำลายตัวเองมันรู้ของมันเองไม่ได้เจตนาจะรู้เลยว่าสิ่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปนะทำทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นนะไม่ได้เห็นอย่างนั้น ไม่ไม่ได้คิดเลยนะจะรู้เข้ามาเนี่ยต้องฝึกจนปัญญาอัตโนมัติเกิดนั้นสรุปนะต้องฝึกให้ได้สติอัตโนมัติด้วยการหันดูสภาวะบ่อยๆหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกในที่สุดใจมันจะคอยรู้สึกอยู่มันจะคอยรู้ทันว่ามีอะไรเกิดขึ้นในกายในใจฝึกสมาธิอัตโนมัติด้วยการรู้ทันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนไปคิดก็รู้ทันเคลื่อนไปเพ่งก็รู้ทัน พอรู้ทันอีกนะจิตก็จะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเห็นไหมเราฝึกสติขึ้นมาเอาสติมารู้ทันจิตที่เคลื่อนไปก็ได้สมาธิขึ้นมาพอจิตมีสมาธิแล้วก็แยกขันนะแยกเป็นส่วนๆถ้ามันไม่แยกก็ช่วยคิดพิจารณาแยกมันถ้ามันแยกแล้วก็ไม่ต้องไปคิดมันดูของจริงดูความเป็นไตรลักษณ์ของมันไปถ้ามันไม่ดูไตรลักษณ์ก็ช่วยมันคิดก่อนเป็นอุบายเบื้องต้นกระตุ้นให้จิตเดินปัญญาต่อไปมันดูของมันเอง เวลาจเจริญปัญญาเนี่ยจิตจะไม่เดินปัญญารวดเดียวนะปัญญาเนี่ยนานๆเกิดทีหนึ่งนะเราก็ดูกายดูใจเรื่อยไปแล้วมันเกิดความรู้ความเข้าใจขึ้นเป็นช่วงๆแล้วบางทีดูตั้งสามเดือนถึงเกิดปัญญาทีหนึ่งก็ได้นะดูเดือนหนึ่ง <c oughs> เกิดปัญญาทีหนึ่งก็ได้เกิดความเข้าใจขึ้นมานะอันนี้เป็นปัญญาแบบเข้าใจเลยแล้วดูไปหลายๆปีเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจ็ดปี <c oughs> เกิดปัญญาอีกแบบนะี้ปัญญาในอริยมรรคเกนะิดอริยมรรคอริยผลขึ้นมาอีก จุที่เราฝึกนะฝึกจนสติอัตโนมัติสมาธิอัตโนมัติปัญญาอัตโนมัติอัตโนมัติเกิดจากการฝึกซ้อมไม่ฝึกไม่ซ้อมขี้เกียจขี้คล้านจิตไม่ตั้งมั่นถึงฐานทําไม่ได้หรอกงั้นต้องซ้อมนะซ้อมดูสภาวะเรื่อยๆเราจะได้สติพอได้สติแล้วก็คอยรู้ทนันจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาก็าจะได้สมาธิพอได้สมาธิแล้วก็ดูไปร่างกายส่วนร่างกายจิตส่วนจิต ความรู้สึกทั้งหลายก็ส่วนความรู้สึกทั้งหลายไม่ใช่กายไม่ใช่จิตก็จะเห็นเลยทั้งร่างกายทั้งความรู้สึกทั้งจิตนัตกอยู่ใต้ไตรลักษณนะ์ถ้าเห็นอย่างนี้มากเข้ามากเข้าเจวันเจ็ดเดือนเจดปีเราควรจะได้ธรรมะบ้างพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจเจริญสติปัฏฐานเจ็วัน7เดือนเจ็ปีนะจะเป็นพระอระหันต์นะบางคนท่านบอกว่าเจ็ดวันแล้วยกไว้เอาหวัน หวันบราารลุพระอรหันต์ก็มีหนึ่งวันบราารลุพระอรหันต์ก็มีนะอันนี้พวกที่บา ร, รมีท่านเต็มแล้วของเราท่านบอกไว้สมัยของท่านนี่วัน7เดือน7ปีได้พระอาหารหันต์หรือถ้าไม่ได้พระอาหารหันต์ก็ได้พระอนาคาของเรา7วัน7เดือน7ปีเอาโสดาให้ได้นะนะบา ร, รมีขนาดพวกเรานะถ้าบา ร, รมีมากคงได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วละ่ะนะนี้บา ร, รมีน้อยก็มาฟังธรรมจากหลวงพ่อประโมทนะเ อ, อ หลวพ่อประโมทก็บารมีน้อยต้องมาทนอยู่กับพวกบารมีน้อยรุ่นเดียวกันเขาไปนิพพงนิพานกันหมดแล้วก็ไม่รู้เนาะเออเาละวันนี้พอสมควรนะเดือนหน้าไม่มีนะที่เดืองหน้าที่นี่เขามีงานสงกรานะหลวงพ่อไม่ได้มาเทศที่นี่อ้าใครจะสงการบ้านกราบนมัสการหลวงพ่อค่ะอยู่ไหน คืออยากจะให้หลวงพ่อแนะนําการฝึกกรรมฐานแบบไหนที่ตรงกับจริตของหนูคะกรรมฐานอะไรนะกรรมฐานเวลาฝึกสมถาาะค่ะสมถะทําไมล่ะคือเวลาหนูนั่งสมาธิแล้วมันจะเพ่งอะค่ะ<อ>ก็เลยรู้สึกว่าเพ่งเพ่งาจา<ใ>นไม่เบื้อ ง, อาาองหลังการเพ่งคือความโลภนะอาจจะไม่ตรงกับจริตของตัวนหนูเองหรือเปล่าสมถะต้อเลือกอารมณ์ก่อนเลือกอารมณ์ที่เราไปรู้แล้วสบายใจ ตอนนี้ใช้อะไรอยู่ใช้ดูลมหายใจอะค่ะดูลมหายใจแล้วมีความสุขไหมมันเพ่งโอ้มันไม่มีมันโลภมากไปให้รู้เล่นเล่นต้องรู้สบายๆนะเคล็ดลับของสมถะอยู่ที่สบายถ้าหายใจสบายๆเหมือนเห็นคนอื่นหายใจนะดูล่างกายมันหายใจไปสบายๆถ้าดูไปอย่างสบายนะไม่นานก็สงบมันเหมือนจะนอนหลับอะถ้านอนหลับก็ต้องนอนสบายๆแป๊บเดียวก็หลับ นอนแล้วก็หลับเร็วๆว่าหลับเร็วๆไม่หลับหรอกนี่ก็เหมือนกันนะสงบเร็วๆสงบเร็วๆไม่สงบลืมคำว่าสงบไปเลยนะถ้าจะทำสมถะอย่าไปคิดถึงความสงบนะให้หายใจไปด้วยความสุขความสบายใจใหายใจอย่างมีความสุขไปด้วยถึงเวลาเข้าสงบของเขาเองถ้าเริ่มต้นด้วยอยากสงบเนี่ยจะไปเค้นจิตให้สงบไม่มีสงบหรอกแล้วก็อยากจะให้หลวงพ่อแนะนาการปฏิบัติเพิ่มเติม ต้องมาฝึกนะคอยรู้ทันเวลาของหนูนจิตมันฟุ้งซ่านเก่งหนูคอยรู้ทันเวลาใจมันฟุ้งซ่านไปนะเราหัดหายใจไปก็ได้พุทโธไปก็ได้แล้วจิตฟุ้งซ่านเราคอยรู้ทันนะไม่ใช่หายใจเอาสงบแต่หายใจแล้วคอยรู้ทันเวลาจิตมันหนีไปจากลมหายใจจิตมันฟุ้งซ่านไปที่อื่นหรือหายใจไปแล้วจิตมันเคลื่อนไปอยู่ที่ลมหายใจคอยรู้ทัน ถ้าฝึกอย่างนี้เดี๋ยวสมาธิที่ดีมันจะเกิดขึ้นสมาธิสงบของเล็กเล่นนะไม่ไปนิพพานหรอกเอาสมาธิอีกชนิดหนึ่งหายใจนะแล้วก็รู้ทันจิตหายใจแล้วรู้ทันจิตรู้สบายสบยนะแล้วมันจะได้ความสงบได้ความตั้งมั่นได้ไปหมดแหละขอบคุณค่ะตาเรลี่ยนมสักอือสื่นเต้น <c oughs> ค, คืออยากจะถามว่าจะทายัางไงให รู้บ่อยๆอะครับทําบ่อยๆรู้รู้ตัวรู้รู้บ่อยๆนี่ไงตอบแล้วทาบ่อยๆคือคือทําแล้วมันไม่ค่อยขึ้นมาครับหาหาเครื่องอยู่ให้ไม่ค่อยรู้อะครับไอ้ที่ฝึกอยู่เนี่ยพัฒนาขึ้นมามากแล้วนะสังเกตไหมว่าใจเราเดี๋ยวนี้กับแต่ก่อนไม่เหมือนกันละสังเกตไหมว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันสังเกตไหมว่าสุขทุกข์กับใจก็คนละอันดูออกไหมพอดูออกครับผมเข็ดกลัวเลยแล้วยังบอกว่าไม่ก้าวหน้า นี่แหละก้าวหน้าเลยล่ะขันมันแยกแล้วนะถ้าขันมันแยกได้เนี่ยโอกาสที่จะได้มากผลในชีวิตนี้ก็เกิดขึ้นแล้วล่ะเมื่อขันมันแยกแล้วเนี่ยอย่าไปรวบไปอย่าไปรวบจิตเข้ามาแข็งแข็งไม่ได้นะถ้าขันมันแยกแล้วดูขันมันทํางานไปเห็นร่างกายมันทํางานเหมือนเราเห็นคนอื่นเห็นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นเหมือนเห็นคนอื่นสุขทุกข์ไม่ใช่เราสุขทุกข์เราเป็นแค่คนดูเปลี่ยนตัวเองเป็นคนดูไปสบสบายดูไปเรื่อย ที่ปฏิบัติอยู่นี่ถูกแล้วนะไปทำอีก เ, เ, กเกหลือเขกัวเลยดีแล้วไม่รู้ว่าดีกาดนมัสการค่ะคือได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้วก็เคยเห็นกายตัวเองกลวงๆเป็นโพรงนะคะแล้วก็เห็นตัวเองอยู่ห่างห่างก็ทีนี้ก็นานแล้วแล้วจากนั้นก็ไม่ไม่เห็นอะไรอีกเลยก็อยากจะเรียนถามหลวงพ่อว่า ไม่ทราบว่าปฏิบัติอะไรผิดหรือเปล่าอย่าอยากเห็นนะถ้าอยากเห็นจะไม่เห็นอ่ะถ้าใจไม่อยากนะรู้สึกตัวไปด้วยแต่มันก็เห็นเห็นเนี่ยมันไม่ใช่เห็นด้วยตาไม่ใช่อมันรู้ด้วยความรู้สึกใช่ค่ะดูเรามานี่มันจะกลวงตลอดเลยค่ะแต่เวลาจิตที่เห็นร่างกายกลวงๆมันเหมือนเปจิตกับกายนี่เป็นคนละานนะแต่ไม่ใช่ถอดจิตออกจากกายนะค่ะอถ้าถอดจิตออกจากกายเป็นอีกแบบนึ่งนั้นเป็นเรื่องของสมถะละ ในอำนาจของสมาธิของสมถะก็อยู่กับกายนี่แหละแต่ว่าอยู่ด้วยกันแต่มันไม่กระทบกันนะอันนี้หนูแยกกายได้หรือยังได้ดูดูรู้สึกว่าปฏิบัติมามันไม่มีความคืบหน้าเลยให้ดูตัวนี้นะดูตัวเขาเรียกว่ากุกุด จ, จักุกุด จ, จคือความรำคาญใจที่ว่าไม่ก้าวหน้าเป็นโทสะตัวหนึง่งให้รู้ทันจิตเท่าไเลย ของคุณนะั้นโดยธรรมชาติตั้งเดิมเนี่ยเป็นพวกคิดมากคกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากก็คือการรู้ทันจิตของตอนเองดัะนั้นต่อไปนี้นะทําดู ก, กายหายใจอะไรก็ทําไปตามปกติแต่ว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นที่ใจกิเลสอะไรเกิดที่ใจรู้ทันบ่อยๆ่อยบัญติจะก้าวหน้าไปทํากรรมฐานไม่ถูกฉลิตนะเป็นโเดลจ้องกายแล้วไปจ้องอยู่ที่กายกรรมฐานที่เหมาะกับเราคือการดูจิตดูจิต ของของหนูใช่ไหมคะใช่ค่ะเดี๋ยวก็จิตโลภเดี๋ยวก็จิตโกรธเดี๋ยวก็จิตก็เห็นเยอะขึ้นแล้วก็<แ>เสียตังค์น้อยลงอ่ะนั่นดางนั้น น, <laughs> นี่แหละเราดูจิตนะแล้วก็จะทำให้ร่ำรวยได้ขอบคุณมากจังกับนมัสการค่ะคือหนูอยากฝึกสติในชีวิตประจำวันและการทางา น, นะคะ่ะมีมีวิธีใดที่จะฝึกสติในชีวิตประจำวันและการทํางานบ้างคะทำอะไรนะ ทำงานอะไรทำธุรการกเกี่ยวกับเอกสารนะคะทาเอกสารนะสติสมาธิปัญญาต้องจาะอยู่กับงานคือเราทำงานที่ใช้ความคิดเนะี่ยจะขนาดนั้นเจริญสติไม่ได้แต่เวลาตอนไหนไม่ได้ทำงานเนี่ยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจเรากระทบอารมณ์นะความรู้สึกในใจเราเปลี่ยนค่อยรู้บ่อยๆคอยรู้ทันไปเรื่อยแต่ถ้าดูความรู้สึกในใจไม่ออกนะดูร่างกายไปเลย เมื่อไร่ที่ไม่ได้ทํางานที่ต้องชิดนะก็เห็นร่างกายมันเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูคอยดูไกลเรื่อยๆไว้เราเป็นพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามนะดูไกยบ่อยๆเห็นร่างกายมันทํางานใจเราเป็นคนดูดูบ่อยๆ น, น้ำมัสการค่ะหลวงพ่อ หนูฝึกด้วยการไหว้พระสวดมนต์นะค ะ, ะนะหนูฝึกด้วยการไหว้พระสวดมนต์แล้วก็ดูใจที่หลงไปขีดอะค่ะเออเตีนแล้ ว, ลวไงอะเราก็ไม่ก็มาถามหลวงพ่อว่าฝึกฝึกอย่างนั้นต้องทําทุกวันนะคะทําวันเว้นวันหรือฝึกทุกวันพระอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องทําทุกวันน ะ, ะทำอย่างมีวินยัยแล้วก็ถัดจากนั้นเวลาอยู่ในชีวิตจริงๆเราเนี่ยคอยรู้ทัน นะจิตใจเราสุขจิตใจเราทุกข์จิตใจเราดีจิตใจเราร้ายเราคอยรู้ความเปลี่ยนแปลงไปด้วนะ่อยฝึกได้ทั้งสองแบบคือในรูปแบบด้วยในชีวิตประจำวันด้วยดีที่สุดละสิ่งที่ขาดคือสมาธิจิตนะยังฟุ้งเก่งอยู่ให้คอยรู้ทันเวลาทำในรูปแบบนะจิตไหลไปคิดแล้วรู้ส่วนมน์แล้วจิตไหลแล้วรู้ฝึกย่างให้มากๆเลย แล้วมาอยู่ในชีวิตประจําวันเงี้ยถ้ามันฟุ้งมากนะเราก็สวดมนต์ในใจสวดสั้นๆก็ได้พุโทโธพุโทโธแค่นี้ยังได้เลยแล้วก็รู้ทันจิตที่เคลื่อนไปงั้นอยู่ในชีวิตประจําวันก็สวดด้วยนะแล้วรู้ทันจิตที่เคลื่อนเอาตัวนี้ให้ชํนานาญ <zel. S 1> สมาธิจะได้เข้มแข็งกว่านี้ถ้าสมาธิเข้มแข็งแล้วค่อยเดินปัญญา ง, ง่ายนะ <zel. S 1> ตอนนี้สมาธิไม่พอขอบคุณครันะพุโทโธไปหายใจไปนะจิตเคลื่อนเรารู้อยู่ในชีวิตอย่างนี้ก็ค่อยทาไป น้มาสการ<ม>เจ้าค่ะหลวงพอ่อคือโยมก็สวดมนต์ทุกวันนะเจ้าคะ่ะสวดบางวันก็ต้องสี่สิบห้านาทีหรือชั่วโมงกว่าทั้งนั่งสมาธิเจ้าคะ่ะ<ม>แต่โยมอยากจะทราบว่าการสวดมนต์เนี่ยแล้วก็เรามาลูกความหมายความแปลเนี่ยมันเป็นสมถะหรือวิปัสสนาเจ้าค่ะเป็นสมถะถ้าวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจต้องเห็นเอานะต้องรู้สึกเอา แต่อย่างเราสวดมนต์แปลเรารู้คําแปลเนี่ยเราเรียนได้ได้ความสงบนะสวดไปแล้วสบายใจใจสงบหรือได้ความรู้ในเชิงปริยัติมีประโยชน์นะหลวงพ่อภาวนาเป็นให้มาเนี่ยเขาอาศัยสวดมนต์แปลของหลวงพ่อพุทธทาสนี่แหละบวชอยู่วัดชนประธานตอนนั้นเป็นนักศึกษาก็สวดมนต์ทำวัดนี่แหละมันมีคําแปลได้ทําวัดเช้าไหม คำแปลทาวัดเช้าแล้ววิเศษมากเลยน ะ, ะนั่นแหละสอนวิปัสสนาแท้ๆเลยนะสังคตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาว่าโดยยออุปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์ใช่ไหมเสยยะที่ทางได้แก่สิ่งต่อไปนี้รูปไม่เที่ยงเมตนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่เที่ยงดูไปเรื่อยนะดูไปแต่โยมก็ชอบการสวดมนต์แล้วนั่งนั่งดูกลายนะคะ เห็นการพนมมือเห็นการสวดมนต์ปากประง่าประง่าแล้วก็ลมหายใจแบบเนี้ยเอออย่างน้ยใจเข้าออกอย่างหนึ่งก็เห็นความปวดแทรกเข้ามาก็อีกอย่างหนึ่งทั้งๆสวดนานๆปวดท้องขอโทษนะคะไปจะไปห้องน้ําอย่างเงี้ยมันก็เห็นการปวดปวดในจิตตัวเองก็บอกว่าเดี๋ยวรอก่อนสวดมนต์เสร็จก่อนมันพูดในจิตใจแล้วก็รอไปสักพักหนึ่งมันก็หายไปแล้วก็เห็นความเกิดดับนะคะอย่างนี้ทําถูกหรือเปล่าคะถูก แต่ว่าใจเราต้องไม่เคร่งเครียดนะใจเราต้องสบายสบายดูเหมือนดูคนอื่นไม่หวังผลอะไระนะดูกายดูใจไปนะเบื้องต้นที่พูดอย่างนี้ก็คือเราแยกขันห้าได้แล้วกายก็ส่วนหนึ่งใช่ไหมความเจ็บปวดก็ส่วนหนึ่งถัดจากนั้นก็ดูไปขันห้าเนี้ยร้วนแต่อยู่ใต้ใจลักไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้นะดูของจริงไปเรื่อยๆแต่ว่าของโยมเนี่ยใจต้องสบายกว่านี้มันจริงจังแรงไป <c oughs> นะตรงที่จริงจังแรงไปเนี่ยทําให้จิตเครียดนะใช่ใจ ใ, ใจจะ <Nico. S 2> ไม่สุขสบายไม่สงบสบายหรอกนิสัยเป็นคนจริงจังกับที่นี่นะเสียตรงนี้ลถตัวนี้ลงไปเป็นจุดอ่อนน ะ, ะจริงจังเนี่ยเป็นจุดอ่อนนะแล้วโยมก็เห็นว่าเวลาลเปิดพัดลมลมมันปลิวผมมาโดนจมูกเนี่ยก็เห็นว่าจมูกปลิวยิ่ง่งยักษ์มันก็เห็นลาคาญเกี่กิเลสความความลาคาลนั่นแหละะเห็นโทสะอย่างนั้นใช้ได้นะ แต่ของโยมมาไปลดความรุนแรงของการปฏิบัติลงจริงจังไปงให้มันสบายกว่านี้นะมันจะแค่ได้ไมาสการใช่ไมครับมาสการครับหลวงพ่อผมก็ปฏิบัติโดยการมีสติในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็รู้สึกจะถนัดทางเดินจงกรมอะครับทีนี้เวลาเดินจงกรมก็บางทีเหมือนมัน ลอยไปแล้วก็มารู้สึกตัวอันนี้คือที่หลวงพ่อว่าไหลไปแล้วรู้ใช่ๆช่โอเคเราเดินไปนะเราเดินเอาสติหรอกนะเดินเอาสติเดินเอาสมาธิเดินเอาปัญญาไม่ได้เดินเอาระยะทางไม่ได้เดินเอาเวลาเนี่ยไม่ใช่ว่าตั้งใจจะเดินหนึ่งชั่วโมงแล้วก็เดินครบชั่วโมงได้ก็พอใจงนั้นไม่ได้ครับเพราะเวลาเราเดินเนี่ยสเดินไปแล้วใจลอยไปแล้วหยุดก่อน รู้สึกตัวใหม่รู้สึกตัวสบายๆแล้วก็เดินต่อเดินไปสุดทางจงกรมแล้วก็หยุดก่อนรู้สึกตัวสบายๆก็หมุนตัวกลับมาหมุนตัวกลับมาแล้วก็ยังไม่เดินรู้สึกตัวสบายๆก่อนแล้วก็เดินเดินมาสามก้าวใจลอยไปหยุดก่อนก็ได้รู้สึกตัวใหม่แล้วก็เดินไม่ห้ามนะแต่ว่าถ้าใจลอยไปก็กลับมารู้สึกกลับมารู้สึกเรื่อยครับแล้วก็มีหลายปีแล้วครับตอนนั้นเดินจงกรมอยู่แล้วก็ รู้อย่างนี้ครับแล้วก็รู้สึกมันมีจังหวะหนึ่งที่แบบมันไม่ได้กลับมารู้สึกที่ตัวครับแล้วมันก็เหมือนรู้อยู่อย่างนั้นแล้วก็รู้สึกเหมือนว่าเออร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราทีนี้ตอนกลับมากรุงเทพก็ไม่ได้รู้สึกอย่างนี้อีกเลยไม่รู้ว่าปกติเดินจงกร้งต้องรู้สึกอย่างนี้ตลอดอย่าอยากรู้สึกนะครับรู้สึกก็รู้สึกไม่รู้สึกก็ทาของเราปกติครับอยากให้มาไม่มาล่ะครับ คุับหลวงพ่อมีอะไรแนะนําเพิ่มไหมต้ฝึกไปเรื่อยๆนะต่อไปไม่รู้สึกอยู่ตลอดเลยเอ๊ขันนี้เป็นแค่เครื่องอาศัยเท่านั้นเห็นที่อาศัยเท่านั้นจะรู้สึกอยู่ตลอดเวลาครับขอบพระคุณครับกล่าวขอบกับนัมัสการหลวงพ่อค่ะเอ่อช่วงสองขอบคุณช่วงสองสมเดือนมาเนี้ยค่ะเห็นแต่ความอึดอัดบ่อยอ่ะค่ะแล้วบางทีจิตมันจะ ชอบไปจับที่ลมอืมันมันเหมือนไปจับเองแล้วแล้วพอจับที่ลมปั๊บเราก็จะอึดอัดอ่ะค่ะอืแล้วบางทีอย่างเราเดินเราล้นน้ำต้นไม้หรือเราทําอะไรบางทีตัวมันก็จะแข็งแข็งอะคะแล้วเหมือนจิตมันก็จะแข็งขึ้นมาเป็นสักพักหนึ่งนานเหมือนกันนะคะกว่าจะคลายมันือกว่ามันมันจะแข็งนานกว่ากว่าที่มันจะค่อยๆคลายออกเป็นเหมือนจิตปกติอะค่ะหืวเพ่ะ แต่เดี๋ยวนี้มันมันไปโหมดอย่างนี้บ่อยอ่ะคะ่ะช่วงสองสาเดือนมานี้เออวิชาเจแก้ไขยังไงดียร์ค่ะไม่ต้องแก้อะไรหรอกนะ <c oughs> รู้อย่างที่มันเป็นแล้วก็รู้ทันจิตของเราเห็นไมันรู้สึกจะเข้าโหมดนี้แล้วไม่ชอบละรู้ว่าไม่ชอบกลับมารู้ที่จิตนะไม่ต้องไปรู้อย่างอางื่นหรอกรู้ทันเข้ามาให้ถึงจิตถึงใจเลยไม่ชอบรู้สึกไหมยอยากหายเออนั่นแหละ ให้รู้ทันใจที่ <Okay. S 1> อยากเลยนะคือภาวนากันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่อเราจะได้มารู้ทันจิตใจของตัวเองนะเพราะงั้นเมื่อสภาวะใดๆเกิดขึ้นแล้วเนี่ยไม่ต้องไปกังวลสนใจกับตัวสภาวะนั้นหรอกเข้ามารู้ทันใจ mm hmm. ของเราเลยเห็นว่าใจมีความอยากเกิดขึ้นความอยากดับไปความอยากเกิดขึ้นความอยากดับไปดูของเราอยู่อย่างนี้ก็ได้นะร่างกายจะแข็งร่างกายจะอ่อนเรื่องของร่างกายไม่เกี่ยวกับเรา ถ้ามาคอยรู้ทันจิตใจเอาไว้แต่เห็นมันมีความอยากได้ค่ะหลวงพ่อมันตัดไม่ได้มันมีโทสะแทรกด้วยนะให้รู้ทันมันไม่ชอบมันอยากตัดด้วยอาํานาจโทสะนะ ใ, ให้รู้ทันว่าใจมีโทสะใจไม่ชอบรู้อย่างนี้แหละเจอทั้งใจเป็นกลางพระใจเป็นกลางแนละ้วอยู่กับอะไรก็อยู่ได้ จนใจมันหมดแรงรึเปล่าคะ hmm? จนใจมันหมดแรงรึเปล่าะหมดแรงอะไรมืันไม่ได้หลนไม่ต่อสู้เรายอมอ ย, อย่าไปยุ่งกับมันมารู้ทันจิตของเราไว้ <c oughs> ไม่ต้องไปแก้อาการของจิตสิ่งเหล่านั้นเป็นอาการทั้งสิ้นเลยนะการภาวนาอย่าไปหลงวุ่นวายกับตัวอาการเราสักว่ารู้ว่าเห็นว่ามีอาการอ น, นั้นเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้เท่าทันจิตว่าเกิดปฏิกิริยาอะไรต่ออาการอันนั้นแค่นี้เอง เพราะงั้นเมื่ออาการมันเข้าไปจับรถแข็งทื่อตัวแข็งขึ้นมาเนี่ยใจไม่ชอบใจอยากหายรู้ว่าใจไม่ชอบรู้ว่าใจอยากหายเนี่ยพอนาเขาเข้ามาให้ถึงใจอย่างนี้นะส่วนไอ้ตัวนั้นจะหายไม่หายเรื่องของมันมันไม่ใช่ตัวเราขอบพระคุณค่ะสู้เอานะของหนูนะ่ะโทสะมันแทรกแล้วไม่เห็นนะมันจะหงุดหงิดหงุดหงิดไม่ชอบมันอ้วาวความ กลับสมันักสการ์หลวงพ่อประโมทครับอของผมหลวงพ่อประโมทให้กันบ้านเรื่องจิตไม่ถึงฐานครับก็เลยกลับมาอยู่ดูที่กายที่ใจใหม่ครับก็จะเห็นว่ามันจะแอบออกไปคิดอนั่นอย่างนั้นถึงจะใช้ได้แล้วก็พอออกไปก็จะหลงทีตีหนึง่งทีนี้มันจะมาติดอีกตัวหนึ่งตรงที่เมื่อไปรู้มันไปคิดปุ๊บก็ไปย้ำไปย้อน กลับมาดูให้มันลึกอีกทีว่ามันเป็นอะไรก็เลยไปติดตรงนั้นไม่ต้องไปคนกว่าไม่ต้องไปทบทวนนะครัาเราปัจจุบันไปเลยรู้ว่าจิตมันไหลไปับตอนนี้ก็เลยกลับมาที่พอรู้ว่าไหลก็หยุดแล้วก็กลับมาที่ฐานของเตืนเวลากลับมาเนี้ยก็ไม่ดึงคืนมานะให้เข้ามาเองถ้าดึงมาแล้วใจจะแน่นมันจะดึงช่วงแรกระเบรกแรงมากเหมือนกันแล้วก็แต่ช่วงหลังเริ่มเบาขึ้นเออย่างไงก็ใช้ได้ ใหม่ๆอาจะต้องจงใจนิดหน่อยนะแต่จงใจทีไรความทุกข์ก็เกิดทุกทีแหละครับแต่ว่าจิตมันเคยชินที่จะไหลเราไม่ยอมมันนี่ฝืนมันทีแรกแต่ว่ารู้ทันรู้ทันนะต่อไปไม่เข้าที่เองไม่ได้เจตนาเลยตรงที่มันกลับมาอยู่กับจิตอยู่กับตัวรู้เข้าถึงฐานนั้นมันจะเบิกบานมีความสุขมีความสงบแล้วมันจะเห็นว่าโลกเนี้การจิตใจนี่โคตรล้านเลโลกนี้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนนะ ร่างกายนี้ก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนสุขทุกข์ก็ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนครับอย่างอย่างบางครั้งเวลามาดูกายมากๆอย่างอย่างในปัจจุบันยังไงก็จะรู้สึกว่าใจมันเต้นตึกอตื้อตื้อยู่ตลอดมันรู้ออดูแค่นั้นหเห็นเลยมันมันเต้นมันไม่ใช่เราหรอกครับนะดูเหมือนดูคนอื่นแล้วอีกตัวหนึ่งมันเมื่อฝึกไปสักพักหนึ่งมันจะมีตัวขี้เกียจตัวหนึ่งที่เริ่ม เริ่มมามีอิทธิพลตัวคิดตัวขี้เกียจเป็นความคิดเขาตัวนี้อับประมงคลครับเมื่อเมื่อเกิดก็รู้สึกไปแบกมันไว้อย่าไปยอมมันนะตัวนี้ยอมไม่ได้เลยนะตัวขี้เกียจเกิดขึ้นให้รู้ว่าขี้เกียจดูมันไปเหมือนแป๊บเป็นกิเลสธรรมดาตัวหนึ่งนี่แหละอย่าไปยอมมันครับแม้งั้นมันจะครอบเราถ้าครอบเราแล้วเราก็หมดฤทธิ์หมดเดชนะก็กว่าจะ รู้ว่ามันเป็นสภาวะตัวหนึ่งก็ผ่านไปตั้งเดือนนะฮะขี้เกียจตั้งเดือนเชียวหรอใช่ครับก็เอาหนาเดือนนี้สู้มันแพ้เดือนหนึ่งแล้วไม่เป็นไรครัเงั้นขอมีกันบ้านอะไรที่หลวงพอ่อไปรู้ทานจิตใจของเรานะจิตเคลื่อนแล้วรู้จิตเคลื่อนแล้วรู้ฝึกรู้บ่อยๆเจนกระทั่งไม่ได้เจตนาแล้วมันก็กลับมาโดยไม่ได้เจตนาจะกลับมาใจมันจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นนะอย่างตรงเนี้มันดึงเข้ามา ดึงเข้ามาอัดเข้ามามันจะแน่นๆอย่างนี้ไม่ดีให้รู้ว่าโลภมากไปแล้วบังคับมากไปแล้วขอการาบขอบพุณคเจากราบได้บรณ ก, การหลวงพ่อคะ่ะได้ส่งการบ้านครั้งที่แล้วเมื่อหนึ่งปีกับสองเดือนที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตั้งแต่นั้นมาก็รู้สึกมีความสุขอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็แต่ไม่รู้ทันว่าตัวเองมีความสุข แล้วก็ระยะหลังๆจนถึงนบัตรนี้เนี่ยก็รู้สึกว่าตัวเองเฉยๆออยากให้หลวงพ่อช่วยดูว่าที่ทํามาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี้ทําถูกต้องหรือเปล่าครับถูกสิทําไมจะไม่ถูกล่ะเห็นไหมว่าร่างกายกับใจเป็นคนละอันอันนี้เห็นไหมบางทีเหมือนคิดว่าตัวเองเห็นแต่ไม่ทราบว่าเห็นจริงหรือเปล่าความรู้สึกกระใจเนี่คนละอันเห็นไหม คิดว่าเห็นค่ะแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันเ อ, อดูใจของเราเรื่อยดูกายเรืยที่เห็นนะเห็นถูกแล้วล่ะทีนี้ปกติในชีวิตประจําวันเนี่ยจะใช้วิธีดูกายมากกว่ามากมากกว่าเพราะว่าจะพยายามดูทั้งวันคือตอนเช้าเนี่ยจะขี่จักรยานไปทํางานอืพอเริ่มขาเริ่มแตะจักรยานเนี่ยมันจะคิดเองว่าซ้ายขวาอืไปเรื่อยๆคฮะแล้วก็เวลาปกติก็จะพยายามดูดูในในกายเราเนี่ยแล้วก็ จะดูใจบ้างนิดหน่อยอแต่บางทีจะไม่ค่อยทันค่ะอืใจไม่ค่อยทันธรรมดาเวลาดูกายนะขี่จักรยานแล้วซ้ายขวาซ้ายขวาได้สมถะนะค่ะแต่ถ้าขี่จักรยานไปเห็นร่างกายมันขี่จักรยานเราเป็นแค่คนดูร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรอกเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งกระตุกกะติกกุกกะติกนะทีนี้เราเดินปัญญาค่ะจะพยายามดูอย่างนั้นบ้างคะ่ะเมืเม่อเมื่อนึกได้คะ่ะออืทีนี้ <laughs> การที่เราทําอย่างนี้เท่ากับว่าเราได้ได้ปฏิบัติทำหรือเปล่าคะ แล้วแต่ปฏิบัติแล้วก็พอตอนเช้าเนี่ยจะพยายามลุกขึ้นมาตั้งแต่ตีห้าครึ่งแล้วก็อทําโยคะหนึ่งชั่วโมงก็พยายามดูกายไปด้วยได้หรือเปล่าคะได้ดูไปนะแต่ใจเราต้องเป็นคนดูสบายๆนะค่ะแล้วก็มันเพ่งแรงไปมันเพ่งไปเหรอคะแล้วก็ต่อมาก็จะพยายามสวดมนต์ค่ะแล้วก็เราจะอุทิศส่วนกุศลให้กับคุณแม่ที่เพิ่งเสียชีวิตไปเนี่ยได้ไหมคะ ได้อุทิศได้แต่แม่จะได้หรือเปล่าอีกเป็นอีกเรื่องนะเร<อ>าอะอุทิศมีหน้าที่อุทิศเราอุทิศไปด้วยค่ะแล้วก็อันนี้ลูกชายฝากมาถามค่ ะ, ะคือว่าเขาจําเป็นต้องฟังธรรมะที่เราเปิดของหลวงพ่อเนี่ยบางทีเขาก็จะรำคาญ น, นิดนิด<ะ>แต่ระยะหลังๆเนี่ยเขาจะเขาจะทาเขาจะทาแต่ว่าเขาจะบางทีก็เขาบอกว่าฝากมาถามหลวงพ่อด้วยว่า เออทำยังไงถึงจะเกิดศรัท ธ, ธาเพราะว่าตัวเขาก็ไม่ได้ศรัท ธ, ธาอะไรง่ายๆค่ะแต่ว่าทําที่หลวงพ่อบอกเนี่ยเขาบอกว่าเขาทํานะคือรู้สึกตัวตอนกลืนน้าลายเพราะว่าเขากลืนน้าลายบ่อยอเขาบอกว่าแต่อยากทราบว่าทํำยังไงจึงจะเกิดศรัท ธ, ธาในในการปฏิบัติเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าไม่รู้ว่าทําไปแล้วมันจะเป็นจริงก็เปล่าอืเราต้องทําให้เขาดูสิเราต้องเปลี่ยนตัวเองให้ใจเย็นๆได้ นี่ก็รู้สึกว่าตัวเองเย็นขึ้นตั้งเยอะนี่เราเปลี่ยนให้เขาดูนะเขาเห็นเราเปลี่ยนจริงๆนะเขาถึงจะเชื่อใครก็ช่วยไม่ได้แม่เนี่ยเราต้องแสดงให้ลูกดูคเอแล้วแม่น่ะจริงจังเกินไปะลดตัวนี้ลงนะออะชีวิตเนี่ยอย่าให้มันซีเรียสมากแม่จริงจังทุกเรื่องไม่ได้นะถ้าเราลดตัวนี้ได้แล้วจิตใจเรา สบายหน้าตาเราผ่องใสจิตใจนุ่มนวลเนี่ยลูกก็เห็นนะลูกก็สรัทธาค่ะเอสอนคนใกล้ตัวเนี่ยต้องทําให้ดูคะนะพูดไม่ได้พูดไม่ฟังหรอกแล้วเอต่อไปนี้ก็อยากจะถามหลวงพ่อว่านับแต่นี้ไปจนกระทั่งถึงปีหน้าไม่ทราบว่าปีหน้าจะได้มากราบหลวงพ่อหรือเปล่าแต่จะพยายามควรจะทํำยังไงคะใ ห, ให้ให้ได้ความก้าวหน้ามากขึ้น <laughs> รู้ทันใจนะ<ฮ>ะอย่าอยากได้อย่าเร่าร้อนใจเย็นๆ <ฮะ S 2> อย่าไปเค้นมันมากฝ <ฮะ S 2> ึกให้มันมีความสุขให้มันสบายใจแต่ว่าที่ทำมานี่ก็เข้ า, ขาทางเข้าทางดีขึ้น<ฮ>ะนะไม่อ่นถ้าเราเป็นคนเครียดน ะ, <ฮ>ะต้องลดตัวนี้ให้ได้นะโบ <ฮะ S 2> นาก็ต้องไม่เครียด มีหน้าที่ดูกายเป็นทํางานดูใจเป็นทํางานส่วนจะได้ผลเมื่อไหร่เป็นเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราอ๋อเราก็ทําอย่างนี้แหละใช่ไหมคะใช่จะได้หรือไม่ได้ไม่ต้องไม่ต้องอเดี๋ยวไปอยากสิค่ะไม่เรารุ้นอนะ่ะเมื่อไหร่จะได้อะไรอย่างนี้นะมันะจะไม่ได้หรอกค่ะกราบขอพระคุณหลวงพ่อครับครับเราก็ฟังธรรมและส่งกันบ้านกันเรียบร้อยอนะครับโอกาสท้ายนี้ก็จะขอเป็นตัวแทนทุกท่านในสาราลุงชิน กล่าวคำถวายทานครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเครื่องปัจจัยาทยธรรมและสิ่งของอันเป็นบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระอาจารย์ปราโมทปาโมชโชขอพระอาจารย์ได้โปรด ร, รับเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข <c oughs> แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายและครอบครัวตราบสิ้นกาและนานเถรยถาวาริวหาปุราปริปูเรนตีสากครัง เอวาเมวาอีโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังทุมพังจิปเมวาสมิจตุสเพปูเรนตูสังกปาฉันโทปนรโสยถามณิโชติระโสยัทาสพีติโยวิวัตช ah ันตูสัพโรโควินัสตูมาเตภวัตพันตาโยสุขีทีคายยโกภวะ อาภิวาทานาสีลิสเ น, นจังวุฒาปจายโนจตารโรธรมาวทันติอายุวันโนสุขขังพระลังสาธุ